คนเดินเรียบชายป่าแดงไปบรรจบกับลูกหาบเละขยินที่รอคอยกันอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตัดไปตามเส้นทางดานในป่าไม้ยืนต้นขนาดไม่สูงใหญ่อะไรนะักส่วนมากใบร่วงแดงปกคลุมพื้นเห็นแต่กิ่งก้านที่ค่อนข้างจะโกรนพื้นเต็มไปด้วยก้อนหินที่งอกโผล่อยู่ทั่วไปแสดงว่าเข้าแนวเชิงเขาแล้วเงียบเชียบ ไม่มีสัญญาณแห่งชีวิตอะไรสักอย่างเพราะความแรงของภูมิประเทศเห็นกันอยู่ว่าใกล้ๆแค่นี้เองระหว่างป่าแดงกระเชิงเขาแต่ก็ใช้เวลาเดินชนิดแข่งกับเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงเข้าสู่แนวเนินที่เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ระดับสูงขึ้นมาและเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็เป็นช่อชั้นภูผาที่สูงชะเง้อมระงานขึ้นไปตามลาดับ อนุชาในฐานะมกคุเทศนำทางสั่งให้กระบวนทั้งหมดสแสวงหาโขดหินบังร่มโดยใช้ผ้าพลาสติกผืนหนึ่งช่วยกันขึงกันแดดอันร้อนจ้ามุมหนึ่งไว้พอได้อาศัยเป็นที่พักกินอาหารกลางวันกันชั่วคราวตัวเองกันหนานอินออกไปยืนแหงนมองขึ้นไปบนหน้าผาที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นอย่างพินิษพิจารณา ปรึกษาหาเรืออะไรกันเบาๆครู่เดียวก็กลับเข้ามากินอาหารกลางวันกับคณะอย่างเร่งรีบเพียงแค่รองท้องพอดื่มน้ำจุดบุหรี่ตัวแรกก็บอกว่าหน้าผาที่เราเห็นอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแห้งแล้งยาวเหยียดไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ล่าต่ำไปถึงโป่งน้ำร้อนเขาบอกกับทุกคน ปัญหาที่ผมพูดค้างว่ากับพี่ใหญ่เมตกี้นี้ก็คือเขาจะนำขำบวนนายจ้างและลูกหาทั้งหมดไต่ขึ้นทางหน้าผานี่เพื่อตัดทางไปป่งน้ำร้อนหรือเปล่าเพราะหนทางมันลำบากไม่ใช่เล่นเลยก่อนอื่นจะต้องไต่หน้าผานี้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงไหล่เขาชั้นแรกจากนั้นจึงเป็นหนทางเดินเลียกไปตามไหล่เฉิดาชายันและดาลิน มองไปยังหน้าผาสูงชันเป็นผาหินตัดมองไม่เห็นทางจะปีนป่ายขึ้นไปได้นั้นโดยเฉพาะดารินใช้กล้องส่องทางไกลขนาดเจ็คูณหสบของหลอนส่องสำรวจไปตามแนวของหน้าผาอีกครังพี่ไม่อยากจะเชื่อนะว่ารับพินจะนำพวกมันขึ้นทางด้านนั้นไลเขามีทางเดินไปได้ที่เธอว่าหมายถึงว่า จะต้องขึ้นไปให้ถึงก้อนหินที่มองดูเหมือนรูปสฟิงค์หมอบอยู่นั่นซะ ก, ก่อนใช่ไหมครับต้องขึ้นไปถึงบนนั้นซะ ก, ก่อนคนยี่สิบคนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเปล่าโดยเฉพาะสัมภาระจะลําเลียงขึ้นไปถึงหน้าผาตัดนั้นได้ยังไงอย่าว่าแต่เข้าของเลยต่อให้คนตัวเปล่ า, ลาก็รู้ว่าจะต้องใช้วิธีไต่เชื่อขึ้นไปชัยยันว่า แล้วขอกล้องจากดารินไปส่องสำรวจดูบ้างพร้อมกระสันสรรรีสับอย่างไม่น่าเชื่อใช่นี่แหละคือปัญหาคือข้อชวนสงสัยอนุชาพูดน้ำเสียงเคร่งยังไม่กล้าลงความเห็นแน่ชัดลงไปไม่เพียงแต่ความยากลำบากเฉพาะลำเลียงคนรึก ข, ของขึ้นไปทางหน้าผานี่เท่านั้นนะ เส้นทางเดินบนไหลเขานั่นยังมีอยู่ต่อห น, นึง่งซึ่งมันเสี่ยงอันตรายที่สุดเขาพูดพร้อมกับชักมีดข้างเอวออกมาขีดเป็นแผนที่ให้ทุกคนดูอย่างผู้ที่เคยชำนาญต่อเส้นทางมาก่อนระยะทางบนไหลเขานั่นจะเดินสะดวกสบายไประยะหนึ่งก่อนแต่เมื่อใกล้จะลงสู่เขตป่งน้าร้อน จะต้องไต่เรียบริมไหลแคบแบตอนหนึง่งอีตรงนั้นมันแคบมากทีเดียวครับคือเป็นช่องทางเดินกว้างอย่างมากไม่เกินสามสฟุตเท่านั้นด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชันภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึกมากลึกตั้งสามสรอเมตรเห็นยอดไม้ของป่าเบื้องล่างลิบลบถ้าพลาดในระหว่างเส้นทางเรียบไหลอันเป็นช่วงอันตรายที่สุด ซึ่งมีระยะทางเดินวกเวียนไปตามผนังผานี่ราวร้อยเมตรเศ ษ, ษหรือพลักหล่นลงไปก็ไม่ต้องหาศพกันอีกละเชีย่ยวชาเอามือรูปคางคิดอืมและนอกเหนือจากเส้นทางอันตรายนี่ยังมีทางอื่นอีกไหมที่จะไปให้ถึงปงน้ำร้อนได้ก่อนค่ำวันนี้โดยไม่ต้องไต่หน้าผาเดินไปตามไหล่เขานั่น ราชสกุลนั้นเป็นพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยถามขึ้นก็พอจะมีเหมือนกันครับเดินไปตามป่าแดงนี่เดินขนานไปกับเชิงเขาสักสองสามชั่วโมงต่อจากนั้นก็มุดเข้าถ้ำลอดใต้เขาเระยะทางผ่านในถ้ำก็ประมาณ4กิโลเมตรเจเศษก็จะทะลุออกป่าหินไปเนินอีกฝากหนึ่งก็ใกล้เคียงกระโปรงน้าร้อน แต่มันจะต้องใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดชั่วโมงเดยฝีเท้าเต็มมัตรานะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองหาเหตุผลทำไมรพินถึงไม่เลือกเอาเส้นทางที่แกว่าเนี่ททำไมถึงสงสัยว่าเขาจะต้องนำพวกนั้นตัดขึ้นบนไหล่เขาที่เต็มไปด้วยอันตรายในการเดินทางด้วยแทนที่จะเดินไปในเส้นทางที่สบายกว่า ขยันถามขึ้นบ้างในระหว่างการสอบซักขารือดารินคงนิ่งอยู่เช่นนั้นหล่อนพิจารณาดูหินมหึือมารูปคล้ายตัวสฟิง์และเหนือขึ้นไปก็เกือบจะมีเส้นสันฐานคล้ายพีระมิดพรานชดพื้หม่อมราชวงศ์อนุชาถอดหมวกออกกระพือไล่ความร้อนอ้าวที่อบอยู่ในอกเสื้อเหตุผลเหรอ มันก็ต้องหาสมมติฐานเดากันไปก่อนแล้วนะข้อที่หนึ่งก็คือรบพินต้องการย่นระยะทางทำเวลาอย่างที่สุดเพราะเราพบหลักฐานแล้วว่าเข้ามาถึงที่นี่นะ่ะตอนบ่ายเต็มทีขืนมัวอ้อมล่าช้าอยู่จะไปไม่ถึงปุ่งน้ำร้อนก่อนค่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขัดนิดนะแล้วถ้าไปไม่ถึงก่อนค่ำ ก็พักนอนที่ไหนระหว่างทางซังก่อนก็ได้นี่นะทำไมถึงต้องเร่งไปถึงที่นั่นภายในเวลาก่อน่ําล่ะผู้แย้งมาคือพี่ชายใหญ่พี่ใหญ่ครับแถวนี้ไม่มีแหล่งน้ำครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะแรมคืนวางแคมป์ได้จนกว่าจะถึงป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นชยภูมิที่เหมาะที่สุดครับอืมถ้างั้นก็เข้าเ้าแล้วมีอะไรอีกไหม ที่เธอสงสัยวรพินจะใช้เส้นทางอันตรายนี่เหตุผลข้อสองของผมนะครับเป็นเหตุผลประกอบเท่านั้นมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ทั้งสองอย่างในนั่นอาจใช้วิชานําอย่างหักหันขึ้นทางด้านนี้เพราะต้องการจะลองเชิงทดสอบสมรรถภาพในการไต่เขาและเดินในเส้นทางอันตรายของฝรั่งพวกนั้นก็ได้ เราต้องอ่านจิตใจเขาต่อไปด้วยว่าในภาวะเช่นนั้นระพินตกอยู่ในสภาพเช่นไรอาจจะเต็มไปด้วยความขุนมัวไม่พอใจและเจ็บแค้นที่จำเป็นจะต้องมานาทางในครั้งนี้โดยซ่อนลึกอยู่ในจิตใต้สานึกก็เลยหาทางให้พวกนั้นเดินลาบากซะอย่างนั้นนะแต่ระพินเป็นสุภาพบุรุษนะคะพี่กลางดารินเ อ, อ่ยเรียบ ภายหลังจากนิ่งมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะมีผู้หญิงมาด้วยถึงสองคนทำไมเขาถึงจะต้องแกล้งให้ผู้หญิงสองคนนนลำบากด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อว่ารพินจะเยี่ยมเกรียมโหดร้ายถึงเพียงนั้นดูภูมิประเทศเห็นเห็นอยู่นี่ก็รู้แล้วว่ามันสาหัสจักกันแค่ไหนถ้าจะขึ้นไปบนไหลผ่ผาน้น พี่ชายกลางจำเรียงมองหงน้านิดนึงหัวเราะเฮ้ย <c oughs> คนเรานี่ถ้าลงได้รักและก็ศรัทธากันอย่างแน่นแฟนแบบนี้แล้วละก็ก็ต้องมองกันในแง่ดีเสมอไปเลยนะใช่พี่ไม่เถียงหรอกพยออชายของเธอนะ่ะสุภาพบุรุษเต็มตัวคนที่เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของเขามากกว่าใครก็คือน้อยนั่นแหละแต่เธอไม่คิดมากเหรอ ว่าถ้าเขาเกิดความแค้นหรือเจ็บใจขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลองของหรือลองดีใครก็ได้ทั้งนั้นที่มาบีบบังคับในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจคือไม่อยากจะให้ข้าพาบุกบานเดินป่าข้าขัดไม่ได้ก็ต้องนำไปแต่เองควรจะสํานึกเสียบ้างว่าเส้นทางมันลำบากแค่ไหนผู้หญิงสองคนนั่นถึงเรายังไม่เห็นตัวจริงแต่ลง CIA เลือกคัดตัวมาแบบนี้ลรวพินก็คงอยากจะทดลองหรือทดสอบดูเหมือนกันแล้วก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าอาจไม่ทดลองเฉพาะการปีนเขาเดินป่าหรือความสามารถจังอื่นเท่านั้นดีไม่ดีทดลองบางอย่างเข้าให้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอหวั่นใจอยู่อย่างที่สุดไม่ใช่เลยดารินเกือบสะอึกในคำพูดผงผางตรงไปตรงมาของพี่ชายกลาง แต่แข็งใจเชิดหน้าตอบว่าผิดถนัดค่ะน้อยไม่เคยหวั่นเลยในเรื่องนั้นและถ้าเป็นน้อยก็จะทดลองซะด้วยดีกว่าที่จะปล่อยให้แหม่มสองคนนั้นยิ้มเยาะที่หลังอย่าปากว่าตาขยิบน้าน้อยปากว่าใจลองสนใจเหรอแปลเหลือนิดเดียวชายันอดกระเซาไม่ได้ เอื้อมมือมาลูบหลังแต่ดารินสบัดออกไปโดยแรงปั้นสีหน้าวางเฉยป่งน้ำร้อนเนี่ยไม่มีหมู่บ้านชาวป่าเลยไม่ใช่เดรอกลาบเชถาถามขึ้นมาไม่มีครับพี่ใหญ่แล้วภูมิประเทศละ่ะก็อย่างที่บอกแล้วแะครับเป็นป่าหินเช้ส่วนใหญ่ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำ หลักการเดินป่าของมกักคุเทศทุกคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก่อนอื่นจะต้องมุ่งเข้าหาแหล่งน้ำก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ามีการพักแรมคืนครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารพินไปทางไหนแน่ระหว่างทางลัดแต่เส้นทางอันตรายกับทางอ้อมแต่ต้องเดินไกลชัยยันขอความเห็น อนุชาก็สะกิดนานอินให้ลุกขึ้นยืนทันทีเอางี้แล้วกันฉันกับนันอินจะขึ้นไปสํารวจหาร่องรอยบนไหล่เขาตรงรูปหินที่เหมือนสิงโตหมอบนั่นเดี๋ยวเนี้ยทุกคนรอยอยู่นี่ก่อนแล้วกันไม่ไปด้วยคนคะ่ะน้องสาวบอกมาโดยเร็วขยับจะลุกขึ้นตามแต่ทั้งเชิดาและชั ย, ยันจับแขนว่าคนละข้างดึงให้นั่งลงตามเดิมอยู่นี่แหละ ไม่ต้องตามเขาขึ้นไปเสียเวลาเหนื่อยเปล่าหรอกทั้งสองคนจะต้องปอีนหน้าผาขึ้นไปและพวกเราก็ยังรอกันอยู่ที่นี่ระยะพอจะมองเห็นกันด้วยตาเปล่าธุระอะไรที่น้อยจะต้องตามขึ้นไปให้พี่เขาต้องคอยห่วงกังวลด้วยเอาเป็นว่าออมแรงไว้ตอนออกเดินทางดีกว่าเนอะนั่งอยู่กับพวกเราตรงนี้แหละดาริงจำนนเพราะถูกทุกคนขัดขวางจำต้องนั่งลงตามเดิม อนุชากนันอินเตรียมตัวอย่างรวดเร็วไม่เอาเครื่องหลังหรือแม้แต่ไรเฟิลติดตัวไปด้วยให้เป็นภาระหนักสิ่งที่เตรียมก็มีเพียงแค่ปืนพกจุดติดตัวส่วนนั้นอินก็แค่มือเนบหลังสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเชือกประจำตัวสำหรับไต่เขาแล้วก็วิทยุติดตัวแม้แต่ขยินงจะอาสาติดตามขึ้นไปด้วยก็ยังถูกหนานอินห้ามไวเพราะเห็นว่าไม่จาเป็น จะขึ้นไปดูรอยนายรพินเท่านั้นว่าจะขึ้นทางด้านนั้นหรือเปล่าประเดี๋ยก็ต้องกลับลงมาอีกเองอยู่เป็นเพื่อนเจ้านายที่นี่แล้วกันแกสั่งแล้วก็หันมาทางกลุ่มเจ้านายผาตรงนี้นะเรียกว่าผางูเหา่าเพราะงูเห่าและงูพิษสารพัดชนิดชุมมากเวลาไต่เขาขึ้นไปนะต้องระวังเวลาเอามือเกาะตามแง่หินหรือผ่านโพรงหิน มันฉกเอาง่ายๆนายหญิงอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วลำพังพรานชดกระนานอินสองคนพอจะระวังตัวเองได้สมัยก่อนตอนเดินป่าอยู่แถบนี้ถ้าผ่านมาหาอาหารกินไม่ได้ก็ขึ้นไปจับงูกินกันบนนุนตกลงกันเสร็จสับทั้งอนุชากระนานอินก็ผละออกจากที่พักชั่วคราวทันทีสิงเชตาตะโกนไล่หลังมาว่า ทางด้านนี้จะเปิดวิทยุเตรียมพร้อมไหมนะไต่ขึ้นไปบนนั้นแล้วเราจะใช้วิทยุติดต่อกันอนุชารับคำแล้วสองคนกับพานเก่าคู่ใจที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเสมือนเพื่อนคู่ชีพก็ไต่ตามโคถิญอย่างแคล่วคล่องว่องไวบ่ายหน้าสูงขึ้นไปทุกทีโดยที่พักพวกเบื้องล่างพากันมองตามหลังอยู่ไม่มีอะไรจะต้องห่วงสําหรับคนคู่นั้น เพราะเป็นทีมเวิร์กอย่างซึ้งรู้จิตใจรู้ฝีมือกันมาอย่างดีที่สุดแล้วระยะที่แยกไปก็ไม่ไกลกันนักมีแต่ระดับความสูงเท่านั้นและจะมองเห็นได้จากเบื้องล่างตลอดเวลาถ้าวัดเป็นเส้นตรงระหว่างตำแหน่งที่นั่งพักรอกันอยู่กับหน้าผาหินตรงรูปสิงโตหมอบนั้นก็ห่างไม่เกิน3 4 0 0เมตรเท่านั้นการที่อนุชาไม่เอาไรเฟิลติดมือขึ้นไปด้วย ก็บ่งความหมายชัดว่าจะไม่มีอันตรายใดๆจากสัตว์ใหญ่ทั้งสิ้นขณะนั้นตะวันเที่ยงตรงสีสักพอดีฟ้าเบื้องบนเป็นปุยเมฆขาวดารินใช้กล้องซองจับการเคลื่อนไหวของพี่ชายและพรานเท่าหนานอินทุกระยะอนุชาและหนานอินไต่ขึ้นไปตามเนินหินที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลำดับ จนกระทั่งถึงแนวตีนเชิงของหน้าผาตัดด้วยความคล่องตัวสูงสุดเพราะไม่ต้องแบกภาระหรือมัวกังวลรอคอยใครอยู่อีกในสายตาของพรรคพวกที่นั่งพักบังเงาแดดกันอยู่เป็นกลุ่มและจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเห็นทั้งคู่เริ่มตัวเล็กลงทุกขนาดเท่าที่ระยะเคลื่อนห่างสูงขึ้นไปจนในที่สุดก็มีขนาดเท่าตุ๊กตาเท่านั้นแต่ก็ปรากฏอยู่ในสายตาทุกระยะ ไม่เห็นว่าทั้งสองขึ้นไปเดินเลาะเหมือนจะหาทางขึ้นอยู่ตรงตีนหน้าผาตัดนั้นเชษฐาก็ใช้วิทยุเรียกเป็นการทดสอบสมรรถภาพของการรับส่งไปในตัวด้วยเป็นยังไงบ้างกลางเท่าที่เห็นผานผานอยู่นี่ก็ดูว่าจะสะดวกดีอยู่หรอกนะแต่พี่รู้สึกว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนักนะก็น่าดูแลครับพี่ใหญ่ เสียงตอบแว่วกออกมาจากวิทยุทุกเครื่องของฝ่ายด้านล่างซึ่งเปิดพร้อมสแตนบายอยู่ตลอดเวลาชัดเจนแจ่มใสดีมากวิวของภาพจากมุมที่นั่งกันอยู่นี่มันลวงตาครับแต่ถ้ามาปีนกันจริงๆแล้วถึงจะรู้ครับว่ากว่าจะข้ามโคถินได้แต่ละรูกนี่เต็มกลืนทีเดียวตอนนี้ผมกนันอินเงือชุ่มตัวยังกระอาบน้านั้นแหละอากาศก็ร้อนมากครับ ดีนะครับที่ไม่มีใครตามขึ้นมาด้วยให้เหนื่อยเปล่าเนั่องจกสองคนกำลังทำอะไรอยู่ฮะพยายามผ่านลายแทงตรงหน้าผาเรียบกันหรือไงเชยันกดคีย์พูดแทรกไปบ้างเสียงหัวเราะตอบลงมาไม่มีลายแทงอะไรบนผนังหินเรียบของหน้าผานี่หรอกมีกระแะเป้าไอร้อนระเหยออกมายังกับแผ่นของเตาอบนั่นแหละ เอามือแต่แทบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะหาลู่ทางที่จะไต่ขึ้นมาบนนั้นคลางมีร่องรอยอะไรของพวกนั้นที่ผ่านขึ้นทางเส้นทางนี้บ้างไหมเชศถาถามไปอีกยังครับพี่ใหญ่ยังไม่พบอะไรเลยครับเพราะเป็นโขดหินแข็งล้วนๆก็ลองหาดูตามทิศทางผ่านมานี่เหมือนกันว่าจะพบก้นบุรีหรือซิก้า ที่พวกนั้นทิ้งไวม้มากหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับเข้าใจว่าถ้าแม้ขบวนจะผ่านขึ้นทางด้านนี้จริงก็จะต้องออกแรงเหนื่อยกันมากและคนเราระหว่างออกแรงเหนื่อยจับคงไม่มีใครคิดจะสูบุรี่หรอกจนกว่าจะขึ้นไปถึงหน้าผาข้างบนแล้วอึดใจหลังจากนั้นทั้งหมดก็สังเกตเห็นอนุชาทำอะไรง่วนอยู่ดูด้วยสายตาเปล่าเห็นไม่ถนัดแต่จากกล้องสองทางไกล ดารินเห็นว่าพี่ชายกลางจัดการกระเชือกที่คล้องไหลติดตัวขึ้นไปด้วยโดยทําเป็นบ่วงมีหนังอินชีบอกอะไรอยู่แล้วอนุชาก็ถอยห่างตีนผาออกมาเล็กน้อยแกว่งเชือกโยนสูงขึ้นไปก็ทําอยู่อย่างนี้ประมาณสีห้าครั้งปลายบ่วงก็คล้องกับแง่หินที่ยื่นเป็นจังงอยของผาส่วนบนไว้ได้ทดลองกระชากและโหนตัว จนแน่ใจว่าทานน้ำหนักไหวแล้วก็ค่อยๆต่ยอีขึ้นไปด้วยความชํานาญของนักไตเขาอาชีพครูเดียวก็บรรลุขึ้นชานของหน้าผาตอนนั้นนั้นอินไตาตามขึ้นไปเป็นคนที่สองมองจากระยะไกลๆเช่นนี้ดูอะไรต่ออะไรมันง่ายได้ดีมากเชือกที่ใช้ไต่กันขึ้นไปคงทิ้งค้างไว้ก่อนเช่นนั้นแล้วทั้งสองบ่าวนาย ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาในอดีตสิ่งบัดนี้ก็มาทำงานเคียงคู่กันอีกครั้งก็ออกเดินสำรวจไปยังบริเวณชานหน้าผาหรือไหลเขาส่วนนั้นซึ่งอุดมไปด้วยโขดหินเป็นเหลี่ยมเป็นมุมภายใต้ชะงอนเขาใหญ่ที่ทะมืนอยู่ดูเหมือนภาพสิงโตมหมอบสันฐานมองด้วยตาเปล่าระยะใกล้คล้ายตัวสฟิง์ของอียิปต์โบราณส้าด่านบนขึ้นไป ยังเป็นเขารูปกรวยยอดแหลมเหมือนพีระมิดดูลึกลับวังเวงชอบกลภาพของคนทั้งสองที่ขึ้นไปบนนั้นบางทีก็โผล่มาให้เห็นในที่โล่งบางทีก็รับหายไปเพราะมุมแง่หินบังพักใหญ่ต่อมาของการเฝ้าคอยฟังข่าวกันอยู่อย่างสงบเสียงของอนุชาวราฤทธิ์หรือพรานชด ก็แววออกมาจากลำโพงวิทยุเล็กว่าชัดเลยที่ดาวว้ไม่ผิดอ่ะระบินพาพวกนั้นตัดทางขึ้นมาบนนี้จริงๆอะ่ะแหละพบร่องรอยของการขึ้นมาพักเหนื่อยชั่วคราวร่องรอยของการลำเลียงชักรอกสัมภาระส่วนใหญ่ขึ้นจากด้านล่างกรุงบุรีและที่สำคัญที่สุดก็มีปลอกกระสุนปืนสั้นจุดสถูกทอด อ, อกทิ้งอยู่นัดนึ แสดงว่ามีการยิงอะไรกันบนเนี่ยระหว่างที่ขึ้นมาพักกันอยู่ที่นี่เชษฐาชายันและดารินไหวตัวด้วยอาการตื่นเต้นในข่าวใหม่นั่นทันทีปอกกระสุนปืนสั้นเหรอคะพี่อ่ะพี่กลางเพราจะมีหลักฐานร่องรอยอะไรไหมว่าพวกนั้นยิงอะไรดารินถามไปโดยเร็วก็กําลังตรวจหาอยู่นี่แหละแต่ยังไม่ได้เข้าเงื่อนอะไร ว่ากระสุนนัดนี้เนี่ยใครยิงแล้วก็ยิงอะไรก็ไม่อยู่ปลอกเดียวเท่านั้นแหละแต่สังเกตดูว่าเมื่อยิงแล้วก็ถอดปลอกออกโยนทิ้งอันหมายถึงว่าจะต้องบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนให้เต็มอัตรานในโม่ตามเดิมก็คิดว่าคงจะไม่ได้ยิงในเรื่องสาหัสสาการอะไรนะัเพราะฉะนั้นคงไม่มีโอกาสจะถอดปลอกที่ยิงไปเพียงนัดเดียวออกไปโยนทิ้งวหรอกแล้วก็ต้องไม่ใช่ระพินด้วย พระพินไม่ใช้ปืนสั้นขนาดจุดสามห้าเจ็ดติดตัวถ้าจะมีปืนสั้นก็น่าจะเป็นจุดสี่สี่ไอปลอกกระสุนอันนี้จึงควรจะเป็นของพวกฝรั่งหรือนายทหารหนุ่มที่ชื่อเชิญบุตรคนนั้นเส่มากกว่าอ๋อประโยคหลังพี่ชายกลางหัวเราะออกมาเบาๆอืมแล้วก็มีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกบางอย่างที่น้อยคงจะสนใจเป็นพิเศษ พบโดยบังเอินทิ้งอยู่หลังก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรครับพี่กลางหลอนสวนถามทันทีอย่างตื่นตื่น อ, อ, อย่าเพิ่งบอกตอนนี้เลยปเดี๋ยก็ลงไปแล้วจะไปให้ดูดารินเริ่มกระสับกระส่ายอยากรู้ติดมัดขึ้นมาทันทีขยับจะกดคีย์เร่งร้าวสอบถามพี่ชายขึ้นไปอีกแต่ชายันเอื้อมมือมาคว้าแขนยักยันไว้สก่อน อย่าพิ่ถามอะไรเขานอกเรื่องก่อนเลยน้อยเขาบอกแล้วว่าจะปเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูก็รอก่อนเนี่ยตอนนี้ปล่อยเชือกถาติดต่อกับอนุชาในเรื่องที่สําคัญมากกว่าสั ก, ก่อนดีกว่ากลางพี่ชายใหญ่พูดทางวิทยุชนิดเป็นคําสั่งทางการตรวด้วยแน่ใจที่สุดนะว่าคนพวกนั้นได้ขึ้นทางหน้าผาด้านนี้จริงและใช้เส้นทางตามไหล่เขานั่นเดินทางไป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 แต่ย้ยชานักนะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วได้ความแน่ชัดยังไงเราจะตัดสินใจกันอีกทีนึงเพื่อจะเร่งเวลาเดินต่อของเราให้เร็วที่สุดเสียงรับคำมาแล้วก็เงียบหายไปพร้อมทั้งภาพของอนุชากับนานอินที่เห็นเห็นหายหายอยู่บนไหล่เขาตอนนั้นก็ลับตาไปด้วยห้านาทีตามที่ได้ขอเวลาไว้เสียงอนุชาก็บอกลงมาทางวิทยุ โดยยังไม่เห็นตัวกันว่าพี่ใหญ่ครับไม่มีปัญหาสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วละ่ะระพินพาพวกนั้นเดินไปตามไหล่เขานี่แน่นอนเพื่อมุ่งลงป่งน้ำร้อนครับอ่ะทางนั้นทางเราจะเอายังไงดีพี่คิดดูว่าในเมื่อคณะนั้นยังขึ้นไปทางนั้นได้ทำไมพวกเราถึงจะขึ้นไปไม่ได้ละ่ะเชษฐาพูดกรอกลงไปในวิทยุช้าๆอย่างไตรตรอง ขอทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับไอการไต่หน้าผาตอนนี้ตลอดจนการลำเลียงสัมภาระขึ้นมันก็ไม่เหลือบา ก, กว่าแรงอะไรนะักแต่ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ตําแหน่งแคบเรียบไหลผาอีกด้านน่ะมันเป็นเหวลึกดังที่ผมได้บอกแล้วนะครับผมไม่ต้องการให้พวกเรามาเสี่ยงกันเกินความจําเป็นในกรณีที่มีทางเลือกอย่างอื่นถ้าไม่มีทางเลือกก็เป็นอีกเรื่องนึง แล้วเวลาของเราวันนี้มันก็ยังมีอยู่เหลือเฟือที่จะไปให้ถึงป่งน้ําร้อนโดยไม่ต้องลําบากเสี่ยงภัยกันจนเกินไปนั้นก็ลองขอความเห็นของหนานอินเปยังไงตังชายันถามไปบ้างหนานอินก็มีความเห็นตรงกับฉันนี่แหละรับรองว่าจะนําไปถึงโป่งน้าร้อนได้ภายในเวลาโผล่เพลงของวันนี้หรือก่อนตะวันตกดินก็อาจไหว งั้นทั้งสองคนก็ลงมาได้แล้วเราจะได้ออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยอนุชารับคําแล้วก็เงียบไปอีกต่อมาทุกคนจึงเห็นคนทั้งสองปรากฏตัวขึ้นที่หน้าผาตําแหน่งที่ไต่เชื่อขึ้นไปครั้งแรกแล้วก็ไต่กลับลงมาต่อจากนั้นก็ปีนตามโขดหินเชิงผากลับลงมาอย่างที่พักรอคอยของทุกคนระยะเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ขึ้นไปสำรวจ และตับลงมาของอนุชาและหนานอินกินเวลาเพียงไม่เกินห้าสิบนาทีเท่านั้น87เมื่อกลับเข้ามาถึงพักพวกที่รอคอยอยู่ก่อนทั้งสองเปียกเงือจนชุ่มสุดตัวลงนั่งเหยียดยาวกระพื้นดื่มน้ำกันอีกคนละอึกใหญ่ๆสิ่งแรกที่อนุชาทาเมื่อยอนกายลงนั่งก็คือควักกระเป๋าส่งปลอกกระสุนขนาด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 ตรวจดูก้นซิก้าและก้นบุรีเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นประเภทเดียวกับที่เคยพบมาก่อนแล้วในแคมป์พักนอนโรงชายลำทานใกล้ใกล้หมู่บ้านซับบอดลักษณะความเก่าของมันไม่เกินสิบวันมันี่เองมีรอยเปียกน้ำและก็แห้งแล้วสลับกันอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังพอจะดูออกถึงการเวลาอันผ่านมาไม่นานนี้นะ ส่วนดารินตรวจดูปลอกกระสุนปืนซึ่งยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมรอยเจาะของเข็มแทงชนวนท้ายกระสุนลึกตัวอักษรบอกยี่ห้อผู้ผลิตและขนาดปรากฏอยู่ชัดเจนยิงอะไรกันนี่หล่อนพึมพำเหมือนจะถามตนเองขณะที่พลิกดูปลอกกระสุนนั้นไปมามันก็เดายากนะไม่พบซากศพอะไรบนนั้นเลย ใครอาจจะลองทางปืนสั้นประจําตัวหรืออาจจะยิงงูเห่าก็ได้แต่ซากงูไม่มีให้เห็นเวลามันล่วงมาเจ็ดแปดวันแล้วถ้ายิงงูก็แปลว่ามดหรือแมลงแทะซากหมดแล้วไม่ก็สัตว์เล็กอื่นๆ อ, อาจจะลากไปกินนอกจากปลอกกระสุนปืนสั้นนี่แล้วพวกปลอกไรเฟิลหรือกระสุนขนาดอื่นอีกบ้างไหม พี่ชายกลางสั่นสีสักดื่มหน้าอีกครั้งไม่เมียแล้วไหนพี่กลางบอกว่ามีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกอย่างหนึง่งจะให้น้อยดูไงหล่นทวงถามทันทีอย่างไม่ลืมอนุชาทำท่าเหมือนจะนึกขึ้นมาได้อุทานออกมาว่าอ๋อแล้วก็ล้วงกระเป๋าย่ามที่ขากางเกงเดินป่าดึงอะไรชนิดหนึ่งเป็นชิ้นยาวของผ้าตุน ลักษณะขาดรุ่งริ่งออกมาแว่งต่อหน้าทุกคนซึ่งจ้องมาจากนั้นก็โยนไปที่ตักของดารินอะดูซะเขาบอกหน้าตาเฉยในขณะที่ดารินนั่งจ้องตะลึงและฉวยขึ้นมาคลี่ดูโดยเร็วส่วนเชษฐากับชา ย, ยันอุทานออมาเบาๆอย่างประหลาดใจพร้อมกันว่าเฮ้ยบราซียดารินหน้าเผือดลงไปนิดนึง แล้วกลับแดงเข้มหล่อนแกว่งสิ่งนั้นหลบมือของชายยันที่เอื้อมมาเหมือนจะแย่งไปดูบ้างและกัดริงฝีปากเบาๆพิจารณาดูอย่างพินิษพิเคราะห์ใช่แล้วบราเซียเนื้อผ้าเป็นต่วนมันระยับไมเอียมแล้วก็แบบทันสมัยที่สุดไม่มีสายคล้องไหล่แต่ใช้ระบบอีลาสติกชั้นดียืดหยุ่นรัดไว้ใช้ขอเกี่ยวด้านหน้า แต่ตัวขอเกี่ยวชำรุดขาดหายไปจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้การได้ส่วนตัวเนื้อผ้ายังดีอยู่ทุกอย่างเพียงแต่ตรงบริเวณที่ห่อหุ้มเต้าด้านหน้าใกล้ๆบริเวณขอเกี่ยวมีรอยครุ่นถลอกขาดบ้างเท่านั้นพี่กลางพบที่ไหนคะเนี่ยหล่อนถามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นหลังก้อนหินน่ะ สุกว่าในโพรงตื้นๆเหมือนเจ้าของจะถอดทิ้งแต่ซ่อนหลบไว้ความจริงพี่ไม่ได้เห็นหรอกนะน้อยหลานอินน่ะบังเอิญไปพบเข้าก็เลยยิบไม่ดูอนุชาตอบมาด้วยเสียงธรรมดาที่สุดแต่จ้องหน้าน้องสาวขมิงเหมือนจะหาร่องรอยแห่งความรู้สึกภายในไหนสมพี่ดูซิน้อยพี่ชายใหญ่เ อ, อ่ยขึ้น พร้อมกับยื่นมือออกมาดารินส่งไปให้ราชสกุลหนุ่มใหญ่รับไปพิจารณาอย่างถี่ทวนมีรอยขาดชำรุดด้านหน้านะในลักษณะของอุบัติวเหตุคล้ๆกับว่าเจ้าของจะลากตัวครูดไปกับพื้นหินครุขระเอาอกพังภาพลงเลยทำให้ตะขอที่มันเกี่ยวไว้ด้านหน้ากับเนื้อผ้าบางส่วนมันขาดไป และที่ไปพบซุกอยู่ในโพรงหินก็อาจจะเป็นพระเจ้าของถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะนำติดตัวไปใช้งานต่อไปแล้วกล่าจบก็โยนบราเซียชำรุดตัวนั้นไปให้ใช้ ย, ยันผู้คว้ า, าไปคลี่ดูอีกคนหนึ่งอย่างสนใจเต็มที่อดีตนายทหารปืนใหญ่จุ ป, ปากเบาๆอดไม่ได้ที่จะกระซ้าเพื่อนสาวด้วยการพูดเปลย โอ้โหแมวโวยขนาดไม่ใช่ย่อยเลยนี่ดาเซียตัวนี้แต่เดาไม่ถูกนะว่าของนายคีตหรือนายสตตลีกันแน่กลิ่นสาบก็ไม่เลวอะเหมือนที่ราผสมน้ำมันเลยกลิ่นเหมนของเมียเธอปะดารินสวนมาโดยเร็วแล้วกระชาก ค, คืนมาพร้อมกับตะวาดเบาๆอ่ะเอานี่ ใช้ ย, ยันหัวรอกึกึกๆึกึแต่เราก็หยุดนิ่งวางเฉยลงซะเมื่อทั้งเชษฐาและอนุชามองหน้าเป็นความหมายไม่พูดอะไรเป็นที่สะเทือนใจน้องสาวของตนอีนกดารินพิษแล้วพิษอีกแล้วก็นำลงวางกระตักจรดรอยที่ขาดเข้าหากันเพื่อจะวัดหาขนาดอย่างแท้จริงรวมทั้งพิจารณาดูขนาดของกระปาะส่วนที่ประคองเต้า เป็นรูปวาวครึ่งนั้นอย่างประสงค์จะหาส่วนสัตว์อย่างแท้จริงเทธารู้ใจถามเรียบๆ เ, เบาๆมาว่าเท่าไร่น้อยไม่มีเบอร์บอกไว้ค่ะแต่ขนาดส6สิบถึงสามสิบเจดไม่เกินแล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้พอจะทายถูกไหมว่าควรจะเป็นของใครระหว่างคริสติน่ากรูเบีแม่ผมทอง กับอิสเบร์มูแม่คนผมแดงน้อยก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของทั้งสองคนนอกจากรูปถ่ายที่ได้รับจากคุณอ้ำพลเท่านั้นแต่ก็มีอยู่หลายรูปนะคะที่ถ่ายไว้เต็มตัวรลอนตอบแผวเบารีตาลงถ้าจะให้ถ่ายก็ควรจะเป็นของคนที่ชื่อคริสติน่าเพราะเพียวแล้วก็ได้สัสดส่วนกว่าอิสเบร ถ้าเป็นแม่ผมแดงนั่นน้อยว่าควรจะมีขนาดใหญ่กว่านี้เพราะรูปร่างเบอะบักกว่ามากปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมขอเกี่ยวถึงได้ขาดํำรดและตัวบราเซียส่วนหน้าก็มีรอยฉีกถลอกด้วยจนเจ้าตัวต้องถอดทิ้งแล้วก็แอบซุกไว้เคถาพูดมาเสียงเรียบเรียบลุงอิน หม่อมราชวงสาวคนสวยหันไปทางครูพรานผู้เฒ่าลุงได้สังเกตบริเวณรอบๆกับที่พบเสื้อชั้นในตัวนี้ไหมพอจะบอกได้ไหมว่ามันอยู่ในที่ลับตาโดยเฉพาะหรือว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งที่คนมากๆนั่งพักกันอยู่ปังไงอยากจะรู้เลยสิว่าใครเป็นคนกระชากเสื้อตัวนี้ออกรู้ว่าเจ้าของเสื้อถูกใครปลุกป้า ชัยันอดไม่ได้ตามเคยที่จะกระศ้ามาอีกถ้าไม่อยากจะถูกชกปากเสีเดี๋ยวนี้ก็กรุณาหุบปากซะหน่อยได้ไหมชัยันดารินหันไปพูดห้วนหวนอดีตนายทหารปืนใหญ่ยักษ์ใหแล้วยิ้มยิ้ ม, มไม่พูดอะไรอีก้อนหันมาสอบถามซักความขาบคันหนานอินต่อไป ครูพรานผู้เท่าซึ่งไม่รู้ความนายอะไรเกี่ยวกับเสื้อชั้นในตัวนี้ก็บอกมาตามตรงของแกเท่าที่แกไปเห็นมามันก็หยิงหลังก้อนหินที่พวกนั้นไปนั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่นั่นแหละนายหญิงแมมคนนึงใส่เสื้อชั้นในตัวที่ขาดนี่คงจะเลี่ยงไปอยู่ด้านหลังหินแล้วถอดออกเปลี่ยนใหม่ทิ้งตัวเก่าไว้ในซอกหินนั่นซุกไว้ถูกแดดถูกฝน เหลือไปห็นครั้งแรกนั้นอนยังนึกว่างูดูไปอีกทีเอ๊ะไม่ใช่เลยหยิบออกมาปราณชดก็เลยช่วยเอามาด้วยนี่นๆอย่าไปเต้นตามการแย่ของชา ย, ยันหน่อยเลยนะ้าน้อยพี่ชายกลางบอกมาเพราะอ่านข้อกังวลในใจของน้องสาวได้ถูกไอ้บาตัวนี้ที่มันขาดไปใช้ไม่ได้จนเจ้าของต้องทิ้งอะหลักฐานก็มีอยู่นั่น ว่ามันขาดโดยรอยคลุดไถกับพื้นมันไม่ใช่จากฝีมือการกระชากพิงของใครหรอกพี่ทายว่าระหว่างโหนเชือกไตหน้าผาขึ้นไปแม่คนใดคนหนึ่งระหว่างสองคนเนี่ยอันเปเจ้าของบราเซียตัวนี้ก็คงจะเอาอกคลุดกระหินเพราะอะไรสักอย่างหนึง่งให้บางก็เลยขาดเพราะแรงคลุดนั่นเจ้าของเห็นว่ามันใช้ไม่ได้จเจ้าติดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์ ก็เลยทิ้งซะมันก็แค่นั้นเองคิดมากๆตัวเองจะไม่มีความสุขใช่ปเปล่าๆไม่มีใครป้ามหรือกระชากจนขาดหรอกเพราะบริเวณตรงนั้นน่ะพวกนั้นไปรวมกลุ่มกันอยู่ทั้งคณะไม่ใช่อยู่ลำพังสองต่อสองเมื่อไรแลยที่พี่เอากลับลงมาให้ดูก็แค่จะเป็นหลักฐานเท่านั้นว่าพวกนั้นผ่านขึ้นมาทางนี้แน่ทุลักทุเลกันยังไงมั่งจากหลักฐานที่เราพอจะพบกันได้ ดารินยิ้มจิตจืดน้อยก็ไม่รว่าอะไรนี่คะก็ดีแล้วที่พี่กลางเอาติดมือลงมาด้วยก็ที่ก้นบุรีปลอกลูกปืนยังเอาลงมาได้บาเซียทั้งตัวที่ไปพบก็ควรจะเอาลงมาให้ดูเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่จะช่วยเราอ่านเหตุการณ์ของวันนั้นได้อย่างใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วทำไมพี่กลางถึงไม่ยอมบอกน้อยเสแต่แรกตอนที่พูดวิทยุ ว่าไปพบราศีตัวนี้เขาด้วยพี่ก็ขี้เกียจบอกก็เลยเอามาให้ดูข้างล่างดีกว่าขืนบอกตอนนั้นประเดี๋ยวน้อยก็จะตามขึ้นไปดูสถานที่ตำแหน่งพบซะเท่านั้นซึ่งมันก็เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรชายันลุกขึ้นเดินผ่านออกไปพ้นรัศมีอันตรายจากดารินแล้วก็เปลยขึ้นลอยๆว่า พี่ชายสองคนเชื่อกันปลอบใจน้องสาวดีหลือเกินเจาา้าข่าเอ้ยคิดด้วยลึกๆหน่อยนะมีปล อ, อกกระสุนปืนหนึ่งนัดทิ้งกริ่งอยู่มีบลาหนึ่งตัวขาตกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยบนหน้าผาเรารู้แต่เราไม่อยากพูดเฮ้ยแล้วชายันก็ร้องเหวออกมาอย่าง เสียงหลงยังตกใจเมื่อดารินกระชากปืนสั้นออกจากซองข้างเอววิ่งเพลนไปบังหลังหนานอินวไว้ดารินตาเขียวปัดเอามือชี้หน้านี่ๆๆไม่คิดชนิดเดียวว่าตัวเองทิ้งลูกทิ้งเมียตามาด้วยจันยิงปากชั่วๆของเธอให้แหว่งไปทีเดียวตปชฉยยันโอ้โหน้อยอใจร้ายจังเลยล้อเล่นหน่อยเดียวอะ่ะจะเล่นกันด้วยลูกปืนเชียเหรอ โอ้รู้งี้ไม่มาด้วยหรอกชัยยันบวยวายลั่นมาไม่มาก็ไม่ง้ออะไรนี่เชิญเลยเชิญกลับไปได้นี่นี่หยุดเล่นกันแบบไม่เป็นภาษาแบบนี้จะทียอชักรำคาญนันทีแล้วทั้งชัยยันทั้งน้อยนั่นแหละอ่ะทุกคนพร้อมยังเล้๋ยวเจ้าออเดินทางเดี๋ยวนี้แล้วพี่ใหญ่ของตระกูลพูดขึ้นมาเสียงขึ้ง ยันยิ้มแห้งๆยังบางหลังนานอินอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเห็นดารินสอดปืนเข้าซองตามเดิมแล้วจึงค่อยๆโผล่ออกมาอนุชาร้องสั่งให้พวกลูกหาเตรียมตัวดารินเก็บดาเซียตัวนั้นไว้ในย่ามหลังของตนเองอย่างมิชิดพี่ใหญ่หันมาเห็นก็ขมวดคิ้วถามว่าอ่ะแล้วนั่นจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ ลอนบอกราบเรียบซ่อนแววอื่นใดไว้มิชิดเผื่อพบเจ้าของเขาเมื่อไหร่ก็จะได้คืนให้เขาไปซะเอามาแอบซุกไว้อย่างนี้มันไม่ดีค่ะเชี่ยถามไม่กล่าวอะไรอีกพอเห็นว่าทุกคนพร้อมก็โบกมือให้อนุชากนันอินทำหน้าที่นำทางต่อทันทีโดยตัดไปในป่าแดงขนานกับเชิงเขาที่กั้น เป็นกำแพงอยู่เกือบสามชั่วโมงเต็มเต็มท่ามกลางป่าแดงอันแห้งแล้งและร้อนระอุคณะเชตฐาทั้งหมดสิบหกคนบ่ายหน้ากันไปอย่างเร่งรุดแข่งกับเวลาหนทนางเดินอยู่ในเกณฑ์สะดวกและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในวิวกว้างไกลปราศจากจุดอับเพราะสภาพอันเป็นปา่าโปร่งเรียบขนานไปกับทิวเขา มันเป็นกำแพงกัน้นฝั่งซ้ายมือโดยตลอดและเห็นเป็นรลอนสูงๆต่ำๆยาวเหยียดสุดตาความที่แต่ละคนผ่านการบุก ป, ป่าฝา่าหนามมาแล้วอย่างโชคโชนในอดีตที่ไม่ห่างไกลมานี้นักและมีประสบการณ์ช่ำชองดีเลิศมาก่อนแล้วจึงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาดารินและชยันมีความคล่องตัวได้ใกล้เคียงพรานป่าอาชีพคนหนึ่ง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 ไม่ให้ล่าช้าโอเออยู่นั้นอินซะอีกได้รับคำสั่งให้ลงมาเดินเป็นเพื่อนของกลุ่นพี่น้องและเพื่อนเพื่อให้คอยตอบคำถามซักเป็นเพื่อนคุยหากคนเหล่านั้นเกิดปัญหาขึ้นขยินนั้นเดินปิดหลังคุมอยู่ท้ายขบวนลูกหกักมาช่วงบ่ายของการเดินทำเวลากันอย่างจริงจังนี่เองดารินจึงเพิ่งจะรู้ตัวชัดว่า แม่หล่อนจะพยายามเร่งฝีเท้าซักเท่าใดก็ไม่อาจจะกวดพี่ชายกลางได้ทันแบบเดียวกับที่หล่อนไม่สามารถตามระพินทันเช่นสมัยก่อนโนนทั้งๆั้ที่ก็ดทะนงในฝีเท้าตัวเองว่าไม่ยิงย่อนไปกว่าใครหล่อนเหน็ดเหนื่อยจนตาลายแต่ก็กลับฟันจะไปเดินคู่อยู่ต่อหน้ากับพี่ชายกลางให้ได้อย่างมุมานะรูปขบวนการเดินจึงเว้นระยะกัน ออกเป็นสามช่วงคืออนุชาผู้เดินนำลิ้วลิวไปเบื้องหน้าถัดมาก็คือดารินผู้โดดเดี่ยวขั้นกลางระหว่างพวกของเชาืาชายันหนานอินและลูกหกักที่จับกลุ่มไปใกล้ๆกันสภาพการเดินเช่นนี้เริ่มมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของการออกเดินทางแล้วคือหลอนไล่อนุชาไม่ทันสักทีเท่าๆกับที่ไม่ยอมผ่อนฝีเท้า ลงมารวมกลุ่มด้านหลังดูมีเจตนาแน่วแน่ที่จะตามประกบตัวพรานชดให้ได้แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักขนาดไหนการทอดระยะเว้นห่างระหว่างพี่ชายกลางกับตัวหล่อนก็คงจะรักษาระดับอยู่เช่นนั้นชยันสังเกตมาแต่แรกตลอดเวลาแล้วนึกสงสารเต็มทีหันไปบอกเชิดเาว่านี่ เรียกน้อยให้กลับมาเดินรวมกลุ่มกับพวกเราดีกว่าเสียเวลาที่จะอวดเก่งตามไม่ทันกลางนายนั่นน่ะถึงไม่ใช่ระพินก็น้องๆก็ไปแล้วแล้วถ้าไม่หยุดรอแล้วก็ไม่มีพวกเราคนไหนเดินตามตามทันเขาหรอกนอกจา ก, กลุงยินก็เคยยินเท่านั้นตอนนี้กลางก็เร่งสปีดเต็มที่แล้วน้อยขืนบ้านเลือดไปกวดตามเขาโดยไม่หยุดรอแล้วก็ขาดใจตายเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานายนั่นน่ะก้าวไปก้าวเดียว เท่ากันน้อยเก้าได้สามเก้าแล้วเชิดถายิ้มขันขันมองดูภาพของน้องสาวคนเล็กที่มีากาเหมือนคนวิ่งครึ่งเดินอยู่ข้างหน้าทีเชเฉยเหอะจะไปกระโตกกระตากหรือเตือนอะไรเขาปะเดี๋ยวยิงมุ่หนักครับอีกตลอดช่วงเช้าของวันนี้น้อยน่ะเดินนำหน้ามาตลอดเขาคิดว่าเขาแน่แล้วฝีเท้าเท่าๆกับพรานอาชีพซึ่งเชื่อใจตัวเอง ไม่มีวันจะได้วกว่าใครในคณะพวกเราแต่พอนายกลางเริ่มจะใช้ฝีเท้าจริงเขา้าน้อยเป็นผู้หญิงจะไปไล่ทันได้ไงจะต้องพยายามอ่านใจน้อยให้เข้าใจไว้ด้วยการมาคราวนี้น่ะน้อยน่ะเขาคิดว่าตัวเองน่ะถ่ายทอดวิญญาณของระพินเต็มเปี่ยมกระพินเคยทําได้ยังไงเขาก็ต้องทําไม่ได้อย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่าไปทักท้วงหรือพูดอะไรเชิงห้ามเตือนก็หล่ะ มันจะเท่ากับเป็นการยุปล่อยไปก่อนเะไม่ไหวเขาจริงๆก็เศร้าสงบลงเองเกแหละกาลังใจของน้อยน่ะมีอยู่เต็มเปี่ยมแต่สรีระและขีดความสามารถมันก็มีได้เพียงเท่าที่ควรจะมีเท่านั้นแหละชยันโครงหัวอย่างสมเพชนี่ตลอดเวลานะในใจน้อยก็คิดถึงยุติแมมสองคนนะ่ะคิดเปรียบเทียบว่าตัวเองจะต้องเหนือกว่าในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชั้นเชิงเดินป่าแล้วคงจะสมมุติมองภาพของนายกลางในขณะนี้เป็นตัวแทนของระพินไม่เห็นว่าโกรธไล่ไม่ทันก็จะเอาให้ทันใ้ได้ในฐานะที่แกเป็นพี่ชายใหญ่ที่น้อยนับถือเชื่อฟังมากกว่าใครทั้งหมดแกก็ควรจะให้สติอะไรบ้างน้อยขณะนี้จิตใจไม่ปกติบ้าบอแล สิ่งที่ชายันกล่าวเป็นจริงหมดทุกอย่างบนการเร่งฝีเท้าเดินอย่างเต็มที่และตาจับอยู่เฉพาะเป้าหมายเบื้องหน้าอันเป็นด้านหลังของพี่ชายกลางผู้ก้าวดุมดุมไปตลอดเวลาดารินวราฤทธ์กตกอยู่ในห่วงผวังสติสัมปชัญญะขาดขาดาหายหายความเหนื่อยหนักความทุกข์ระทมใจ และสิ่งที่ทรมานอยู่ภายในจิตใจใต้สำนึกอย่างชนิดไม่มีอะไรมาลบเลือนไปได้เปลยวแดดที่แผดร้อนเหมือนอยู่ในเตานรกทำให้หลอนมองเห็นภาพของอนุชากลายเป็นภาพของระพินไประพินในยุคที่หลอนเคยกลัวตามไล่หลังเขาระพินคนใจร้ายรอด้วยสิรอด้วย นตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงดังลั่นไปทั้งตาและพร้อมกันก็สะดุดก้อนหินล้มฟุบลงหน้ามืดเป็นลมหมดสติลงในบัดนั้นจากเสียงร้องแหลมนั้นอนุชาหยุดชงะงักหันขวับกลับมามองหลังขณะเดียวกันพวกที่เดินตามอยู่เบื้องหลังก็มองเห็นภาพนั้นด้วยความตกใจน้อย ทุกคนร้องลั่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมดอย่างตกใจร่างนั้นฟุบนิ่งไม่ไหวติงพี่ชายกลาง ว, วิ่งย้อนกลับมาในขณะที่พี่ชายใหญ่ชายยันหนานอินและขยินก็วิ่งพรูกันเข้าไปรวมจุดอนุชาเข้าถึงตัวน้องสาวเล็กก่อนทุกคนสุดตัวลงประคองเขย่าเรียกแล้วพลิกงายขึ้น ในขณะเดียวกับที่พี่ชายใหญ่และพักพวกก็เข้ามาถึงภาพที่ทุกคนเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศหน้าขาวเพือดดวงตาปิดสนิทเร็วครับพี่ใหญ่ช่วยกันหน่อยครับน้อยเป็นลมไปแล้วครับอนุชาร้องเร็วปรือช้ยันโดดเข้ามาปลุกเขย่าตัวเรียกอีกคนหนึ่งร่างของหม่อมราชวงศ์สาวอ่อนปวกเปียก แตวทั้งสามก็พูดกันโลงเล้งเร็วปรือฟังไม่ได้สักไปหมดช่วยกันหามร่างอันไรสตินั้นเข้าไปบังเงาร่มที่โคถิ่นใหญ่ริมทางตอนหนึ่งเช็ดถาเอาน้ำเย็นจากกระติกชุบผ้าขนหนูสะอาดจนชุ่มแตะเช็ดซับไปตามใบหน้าอันโชคไปด้วยเหงื่อนั้นพร้อมกับใช้สำลีแตะแอมโมเนียรนอยู่ที่จมูกชุนลมุนกันไปหมดเสียงพวกลูกหาที่หาบของวิ่งเข้ามาถึง ปลดของลงจากบ่าชั่วคราวพรูเข้ามารายลอ้อมถามกันให้แซดด้วยความตกใจว่านายหญิงนายหญิงเป็นไงบ้างครับนายหญิงเป็นไงแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆจากกลุ่มของเจ้านายที่กำลังกูลีกูจอปฐมพยาบาลนายหญิงของทุกคนอยู่นั้นน้อยพยายามเดินไล่กลัวตามแกให้ทันก่ากลางแต่แกก็ไม่ยอมหยุดรอเลยชยันบอกเร็วหรือละล่ำละละับ นุชชามีความตกใจไม่น้อยหน้าเผืดลงคว้าข้อมือน้องสาวไปคันที่ประจอนเห็นเต้นทีเร็วแรงไม่เป็นจังหวะอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วแล้วมันเรื่องอะไรนี่ที่น้อยพยายามจะวิ่งไล่าตามฉันแล้วทำไมไม่ไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกพี่ใหญ่ก็ฉันมีหน้าที่นำทางฉันก็ต้องนำไปข้างหน้าที่มันเรื่องอะไรต้องมาตามโกรธกันด้วยไม่เป็นไรหรอก เย็นเ ย, น, ยนไม่เป็นไรพี่ชายใหญ่บอกเรียบเรียกขยายเข็มขัดของน้องสาวออกเพื่อให้หลวมหายใจได้คล่องสะดวกขึ้นน้อยน่ะออกแรงมากหากโหมเกินไปก็เลยหน้ามืดเป็นลมเดี๋ยวนอนพักนิ่งๆสักครู่ก็จะดีขึ้นเองแหละอากาศมันอบอ้าวจัดซะด้วยนี่จะเกิดไม่สบายตอนนี้เราก็ยุ่งงันใหญ่อะ ฉันก็บอกกันแล้วนี่เชตฐาบอกให้เรียกน้อยลงมาบอกให้กลัวตามในกลางอยู่ได้ชยันบน่นช่วยปฐมพยาบาล น, นวดเฟ้นตามแขนขาเพื่อเลือดลมเดินสะดวกขึ้นแพทย์ประจำคณะล้มลงเพียงคนเดียวทั้งคณะก็อดไม่ได้ที่จะใจคอไม่สู้ดีเหมือนกันถ้าเป็นคนอื่นก็ยังจะพอทำเนาเนเชื่อว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าหน้ามืดเป็นลมธรรมดาหรอก ผมไม่ถึงกับเจ็บป่วยหรือมีไข้แทรกซ้อนอย่างอื่นน้อยน้อยดูดูไปก็น่าสงสารจนบอกไม่ถูกประโยคหลังเชษฐาพึมพำออกมาอย่างสังเวชใจถ้าจะเป็นความผิดของผมที่เดินเร็วไปหน่อยผมก็เสียใจครับพี่ใหญ่พรานชดบอกมาเบาเบาสุดโตลงนั่งเหยียดยาวมือรูปศีรษะน้องสาวอย่างเวทนา จะ ก, กังวลไปเลยกลางเธอมีหน้าที่นาทางเธอก็นำไปเถอะมันไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอกและก็ไม่ใช่หน้าที่ของน้อยด้วยที่จะต้องกวดตามเธอให้ทันเพราะไม่มันไม่จำเป็นอะไรสักนิดถึงยังไงเธอก็ต้องไปรอยอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วและเธอก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรนะักระยะก็มองเห็นหลังกันอยู่ทุกขณะน้อยก็อยากจะเดินไปให้ทันเธอเองจิตใจของเขาร้อนรุ่ม อยากจะประกบเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลไปทุกขณะซึ่งความจริงมันไม่จำเปนะ็นแต่ชัยยันต่อว่ามาว่าก็ห็นงอยู่แล้วนะว่าน้อยใจร้อนจะจะเดินตามแกให้ทันแต่ก็เดินยังก็ตามควายหายมันก็น่าขัดใจเหมือนกันที่เร่งฝีเท้าเท่าไหร่ก็ไม่ทันแกสักทีก่อนจะไปลมล้งฟุบฉันว่าฉันได้ยินเสียงน้อยตะโกนเรียกรับพินบอกให้หยุดรอนะ่ะ พอขาดเสียงก็ล้มคว่าเลยแสดงว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีสติเป็นตัวเองแล้วแต่มองเห็นแกเป็นระพินไปอนุชาและเชษฐาสนิ่งงันไปด้วยคําพูดของชยันถ้างั้นก็แปลว่าในสมัยที่เคยเดินป่าอยู่ด้วยกันสมัยก่อนระพินคงจะเคยเดินทิ้งน้อยให้อยู่ข้างหลังแบบเนี้ในที่สุดอนุชาก็กล่าวขึ้นเบา ก็ใช่นะที่ชายันกระแทกเสียงถอดหมวกออกพัดไ้ดารินผู้นอนหลับตาหายใจรวยๆอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันแต่ทิ้งซะห่างไกลลิบเลยจนเจ้าตัวนะัไม่มีจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินตาไม่ทันให้ตา ย, ยฉันอยากจะเตะนายนั่นเหลือเกินถ้าพบหน้าอีกครั้ง หลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ครู่ใหญ่สติสัมปชัญญะที่ขาดหายวับไปเหมือนไฟบนปลายเทียนที่ถูกเป่าดับลงชั่วขณะก็ค่อยๆกลับคืนมาดารินวรริศเปิดเปลือกตาสว่างโพลงขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าของพักพวกทุกคนลอยสลอนกำลังจับจ้องมองมาที่หล่อนเป็นตาเดียว ไกลบ้างไกลบ้างศีรษะของหลอนรู้สึกว่าจะพาดจ่บนตักของพี่ชายใหญ่หลอนขยับจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพืวดพลาดแต่เชตาเอามือกดไหลไว้หลอนพักสักเดียวน้อยอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาก่อนหญิงสาวกระพริบตาอย่างงงงงมองไปรอบกายอีกครั้งเหมือนจะทบทวน หลอนุทานเสียงแแหบแเพียงแค่นั้นชายันบอกขึ้ขึๆมาว่าน้อยเธอเหนื่อยมากนะเป็นลไมไ้ชั่วขณะสำรวจตัวเองตัวนี้สิรู้สึกเป็นไงมั่งมันมันปวดหัวดารินบอกง่ายๆสั้นๆเอามือสองข้างกุมขมับ เราอยากแก้ไขสกัดไว้ก่อนดีไหมน้อยคงไม่ต้องหรอกขอน้ำสักนิดดีกว่าเชายันส่งกระติกน้ำให้ดารินรับมากรอกใส่ปากดื่มเข้าไปสองสามอึกแล้วส่งคืนสีหน้ามีเลือดขึ้นมากแต่ก็ยังอิดโรยอยู่ฉันเป็นลมเหร อ, อถ้าจะจิตความรู้สึกครั้งสุดท้ายฉันว่าฉันเห็นระพิน เดินอยู่ข้างหน้าจะกวดตามยังไงก็ตามเขาไม่ทันจากนั้นก็น่ามืดนี่น้อยเธอไม่ได้เดินตามหลังระพินหรอกแต่ตามหลังนายกลางความเหนื่อยหนักความคิดฟุ้งซ่านก่อนจะเป็นลมไปเพราะออกแรงมากเลยทำให้เห็นเป็นระพินไปพักอีกสักเดียวเออะไรอะไรก็จะดีขึ้น สำคัญว่าอย่าหักโมหมมัอนอยังตะกี้กันแล้วกันนี่ฉันหมดสติไปนานไหมเนี่ยรนถามเบาๆปลดมือพี่ชายใหญ่ที่กดไหลไว้ออกแล้วดึงกายขึ้นนั่งก็ไม่นานหรอกแค่เจ็ดแปดแเก้านาทีเองก็โชคดีมากนะที่ตอนล้มมาหน้าไม่ฟาดรงไปกระทบแง่หินดารินฝืนยิ้ม ดูนาฬิกาข้อมือแล้วถอนใจยาวขอโทษนะขอโทษทุกคนที่ทําให้ต้องเสียเวลาอ๋ฉันรู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็ปกติเรียบร้อยแล้วเราเดินต่อได้แล้วว่าแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นยืนทันทีด้วยความทรหดสุดใจขาดดิ้นพยายามทรงกายตรงทุกคนที่นั่งแวดล้อมอยู่พากันลุกขึ้นด้วย เชษฐาส่งไรเฟิลประจำมือของหล่อนไปให้นั้นมาสัญญากันก่อนน้อยก่อนจะเดินทางต่อเธอจะต้องต้องเดินร่วมกลุ่มไปกับพี่ชยันและก็พวกพรานลูกหาบทั้งหลายเราจะไปกันตามสบายไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักไม่ต้องไปพะวงอยู่อีกว่าจะต้องเดินตามให้ทันพี่กลางเขาว่าไง ดารินหันไปมองดูหน้าพี่ชายกลางผู้ที่ตลอดเวลามองมาเงียบๆโดยยังไม่พูดอะไรสักคำแล้วต่อว่าพี่กลางอ่ะไม่ยอมรอน้อยเลยนะคะปล่อยให้น้อยกวดตามจนล้มทั้งเดินอ่ะมันไม่ใช่ล้มทั้งเดินหรอกแต่มันล้มหกเมนเคนแก้นขนาดที่วิ่งเลยอนุชาบอกแล้วเดินเข้ามาโอบไหลไว เบาๆที่ไหลนั้นไะแล้วหลังพี่จะเดินให้ช้าลงพอให้น้อยตามทันวันนี้ล้มไม่เป็นไรพรุ่งนี้พอกําลังเริ่มอยู่ตัวก็จะดีขึ้นตามลําดับนะไปเราเดินไปพร้อมๆกันเดินพี่ไม่ทิ้งระยะให้ห่างอีกแล้วละ่ะน้อยจะได้สบายใจดาลินหัวเราะรู้ทันในการเอาใจของพี่ชายไม่ต้องมาห่วงน้อยในเรื่องนี้หรอกค่ะ พี่กลางมีหน้าที่เป็นมัคคุเทศก็นําทางไปตามถนัดเถอะดีเหมือนกันค่ะจะได้เป็นการเร่งให้พวกเราเดินให้เร็วขึ้นด้วยถ้าพี่กลางช้าพวกเราก็จะช้าด้วยสําหรับตัวน้อยน่ะต้องการฝึกฝีเท้าตัวเองเท่านั้นบ่ายวันนี้น้อยยอมรับค่ะว่าอดดีไปหน่อยเดี๋ยไม่ประมาณกาลังของตัวเองชีวิตในป่าของน้อยและพวกเราทุกคน ไม่จะโชคช่สักขนาดไหนก็ตามยังเทียบไม่ได้หนึ่งในสิบของพี่กลางค่ะใช่สิแล้วสิบพี่กลางก็ยังไม่ได้หนึ่งระพินเพราะฉะนั้นเราจะมามัวเสียเวลาล่าช้ากันอยู่ไม่ได้นะบางเวลาพี่อาจจะล่วงหน้าหายรับตาไปก่อนก็จะทิ้งลุงอินไว้อยู่ร่วมคณะด้วยลุงอินน่ะแกะรอยพี่ได้เสมอรับรองไม่พาหลงไปทางอื่นหรอก อนุชาบอกกับน้องสาวแล้วประคองให้เดินต่อคราวนี้ทั้งคณะเดินเกาะหูไปด้วยกันทุกคนสังเกตเห็นดาริงกระปลกกระเปียอ่อนเพลียไปมากแต่เจ้าตูพยายามกลบเกลื่อนซ่อนไว้ภายใต้อาการอันเข้มแข็งนั้นจากป่าแดงอันแห้งเกรียมที่ผ่านมาโดยตลอดเริ่มผ่านเข้าไปในดงรั่ว สลับไปกับผู้ไม้ซึ่งค่อยๆรกชัดขึ้นเป็นลำดับและเรียบคิดชายเขาใกล้เข้าไปทุกทีจนรู้สึกได้ว่ามาเดินกันอยู่บนไหลเขาตีนเนินชั้นแรกสูงกว่าระดับพื้นราบที่เดินผ่านกันมาแล้วเส้นทางเงียบสงบไม่มีสิ่งใดกระตกกระตาดนกหรือกิ่งกาสักตัวก็มองไม่เห็นและไม่มีรอยสัตว์ใดาอาศัยเป็นเส้นทางด่านเลย กว่าทุกคนจะรู้ตัวหม่อมราชวงศ์อนุชาหรือพราชดก็นำมาหยุดยืนอยู่หน้าเวิงกว้างใหญ่ใต้ชะงอนผาตอนหนึ่งมองเห็นได้ชัดว่าเป็นปากถ้ำขนาดเรืองซึ่งส่วนหน้าถูกอําพรางไว้ด้วยมูหินที่งอกเป็นฉากบังอยู่ณที่นี้เขาเรียกนายชวนหัวหน้าลูกหาบเข้ามาส่งไรเฟิลจุด4 5หประจมือ ให้ไปถือไว้แล้วแรกเอาลูกปืนลูกซอง FN กึ่งอัตโนมัติบรรจุ5นัดมาตรวจดูสภาพของปืนแล้วสอบถามว่าบรรจุลูกชนิดใดไว้บ้างทั้ง5นัดลูก9้าเมตรครับนายหัวหน้าลูกหาบตอบอนุชากระชากลูกปลายขนาดใหญ่แบบ SG หรือ d o u b l o บ a ทั้ง5นัดออก บอกให้เจ้าของปืนเก็บลูกที่หล่นเหลืออยู่แล้วเรียกเอาลูกปลายเม็ดละเอียดลงไปอีกคือเบอร์สองของเรมิงตันบรรจุเข้าหลอดแมกซีมแทนป้อนนัดหนึ่งขึ้นลำพร้อมล้วงมือลงไปในกล่องกระสุนลูกซองที่ลูกหากยื่นส่งมาให้ทำเอากระสุนสำรองใส่กระเป๋าเสื้อไว้อีกเกแปดนัขนดขณะนั้นคณะทั้งหมดยกเว้นพวกลูกหากกับขยินและหนานอิน พากันมองดูเขาอยู่เงียบๆเราจะตัดทางมุดถ้ำลอดใต้เขานี่ไปอย่างที่บอกไว้แล้วนะเขาบอกกับทุกคนดีก้นบุรีลงกับพื้นแล้วเหยียบดักก็ไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปนักพอพโผรออกตีนเชิงเขาฝั่งตรงข้ามเดินลงอีกนิดก็จะถึงป่งน้ำร้อนเวลาเหลือเฟือ เราได้ตั้งแคมป์พักก่อนตะวันตกดินแน่อะทุกคนพร้อมไือยังเดี๋ยวกลางขอรู้สภาพและเส้นทางเดินในถ้ำนี้ก่อนแล้วกันพี่ชายใหญ่เอ่ยถามขึ้นเสียงต่ำๆเขารู้สึกว่าน้องชายกลางจะง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ค่อยจะให้ข่าวอะไรที่ละเอียดนักก็ท้ำทั่วๆไปนี่แหละพี่ใหญ่ ปากทางนี่ก็กว้างหน่อยพอเข้าไปลึกสักหน่อยทางก็จะสอบแคบข้าแต่ก็จะเดินกันได้อย่างสะดวกพอสมควรมีทางแยกหลายสายเราก็จะยึดเส้นทางใหญ่ไปตลอดไม่มีเหวไม่ต้องถึงกับคลานแต่ก็ให้ระวังแง่หินที่ผุงอกอยู่ทั่วๆไปด้วยก็อาจจะชนกระทบหากไม่ระวังให้ดีขอให้ทุกคนเตรียมไฟฉายให้พร้อมนะอากาศถายเทได้ดีออกซิเจนเพียงพอ ไม่อยากจะถามเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ชา ย, ยันพูดเสียง อ, อย่ อ, อยๆเอาแขนเสื้อยกขึ้นป้ายเช็ดเหงื่อจะถามอะไรจะถามว่าแกนะ่ะเคยผ่านเข้าออกํำนานทางดีมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่มากนะักหรอกแค่สองสามเที่ยวเท่านั้นแต่คนใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่ น, นุ่มจนแกนะ่ะอยู่โน่น